ทีนี้พวกต่อไปก็กรมมารมก็แล้วแต่นะใครรักษาศีลไว้เยอะก็นึกถึงศีลใช่ที่ธรรมะก็อาศัมมุลโโหกาลังกโรตินะไม่หลงทมกาละกิริยาเพราะอะไรเพราะศีลอย่างหนึ่งตัวที่ทำให้ไม่หลงกาละนะหรือทานทานเนี่ยที่ที่พระองค์ตรัสกไ็ไม่ใช่น้อยใช่หมว่าเป็นเหตุแห่งสุขติแล้วก็เมตตา อย่างใดอย่างหนึ่งก็นึกถึงก่อนตายเนี่ยอะซัมมุลโฮกาลังกโรติหรือถ้าได้ฌานล่ะเนี่ยนะก็นึกถึงฌานนึกถึงกุศลมันก็เลือกสักอย่างหนึ่งนะมันแต่มันเลือกอย่างเดียวอยู่แล้วละ่ะตอนแรกอาจจะหลายใจก่อนนะถึงยังไงก็ต้องเลือกอย่างเดียวเลือกมากกว่า น, นั้นไม่ได้ก็ของเราก็หลายๆคนก็เตรียมเตรียมเลือกเอาไว้นั่นก็สอน อ, อะไรดี อ๋อแล้วแต่มันจะเป็นไปเอาขนาดนั้นเลยเหรอก็คัดๆเอานะว่าจะไปอันไหนไปเพราะอะไรไปกับเรื่องอะไรไปกับจิตดวงไหนเอาอะไรเป็นคู่เพราะว่าชาติหน้าทั้งชาติเลยนะไหนนะ เสียงฟ้าผ่าแล้วนึกถึงอะไรแล้วแต่มันจะนึกมันนึกอะไรก็ช่างมันอย่างเงี้ยเลย อ, อยงี้ก็คุยด้วยไม่ได้แล้วกลัวแต่โทรศัตอนนั้นอนะโวยวายแล้วก็ยุ่งไปไม่ดีแนะ่มันก็ต้องฝึกคิดให้มันเป็นไปกับกุศลเอาไว้นะถ้าใครอ่านหนังสือผู้การเนี่ยผู้การก็บอกว่าอีกไม่นานใช่ไหย ม, มันก็ต้องหักคิดเอาไว้กันเยอะๆนะไม่งั้นนี่ก็เอาอะไรไปอ่ะอย่างนะั้ ก็ต้องอย่างที่ในพระไตรปิฎกในมหาปริญนิพานสูตรที่พระองค์บอกว่าผู้ใดเที่ยวไปในสังเวชนียสถานสี่แห่งตําบลใช่ไหมก็เบื้องหน้าแต่กายตายแตกก็เข้าถึงสุคติอันนั้นหมายถึงว่าก่อนตายนึกถึงสังเวชนียสถานเนี่ยนะถ้าเป็นนึกถึงที่อื่น ก, ก็อีกเรื่องหนึ่งละนึกถึงบุญที่ไปเจริญที่นั่นนะไม่ใช่นึกถึงไปทําบาปไว้ที่นั่นนะหมายวนะ่านึกถึงว่าไปทําบุญที่นั่นไว้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุแห่ง สุขติหรือใครชำนาญที่จะนึกอะไรก็ได้นำไนีตกลงเอาไหนดียังไม่เลือกอ่ะนะเดี๋ยวก็ใช้เวลาอีกหน่อยค่อยตัดสินใจ <G> อ๋อไววใจดีไว้ก่อนนะนนก็พยายามทบทวนนะพวกที่ที่คิดอย่างนี้ได้เนี่ยนะก่อนตายเนี่ยก่อนที่ร่างกายจะแตกทำลายกระจายออกไปเนี่ย อารมณ์อะไรก่อนตา ย, เ, ยนะเพราะแต่พวกที่ไปคิดถึงแต่ร่างกายนึกถึงแต่จุติจิตนะถ้าพวกนึกถึงแต่ร่างกายที่แตกทำลายนึกถึงแต่จุติที่เสียหายพวกนี้ถ้าหยุดอยู่แค่นี้แล้วไม่มนสิการอะไรต่อเลยเป็นอุเฉ ท, ทิฏฐิแต่พวกคิดแต่เรื่องเกิดอย่างเดียวเรื่องเกิดอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ได้ใส่ใจจุติเลยเหมือนกับว่าเขานู่น ไปเกิดตรงนั้นละไปเกิดตรงนี้ละโดยที่ไม่เข้าใจเหตุผลพวกนี้โดยมากเป็นสัสตตทิฏฐิซึ่งไม่ได้มองเห็นเหตุทั้งผลผู้ที่รู้จุติปฏิสนธิเนี่ยจะเข้าใจจุติปฏิสนธิเนี่ยจึงจักละทั้งอุเฉทะ ท, ะทิฏฐิและสัสตตทิฏฐิถ้ารู้จุติอย่างเดียวพวกนี้เป็นอุเฉถ้าคิดแต่เรื่องเกิดอย่างเดียวสัสตตทิฏฐิ เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจทั้งตายและทั้งเกิดว่าพี่เกิดเกิดเพราะอะไรเหตุปัจจัยใดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้มนสิการได้ทั้งหมดเนี่ยนะพวกนี้จึงเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ว่าตัณหาโดยมากไม่ยอมให้เป็นสัมมาทิฏฐิหรอกอนะ เ, เพราะเวลาสังเกตดูนะเวลาพูดถึงคนตายเนี่ยมันประกาศนิสัยตัวเองเลยนะว่าอุดเฉตหรือสัสตะ เวลาเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่ที่ตายไปแล้วเนะี่ยก็มันเท่ากับประกาศในตัวถ้าเป็นคนสังเกตตัวเองสักนิดหนึ่งว่าหนักไปทางศ ส, สตรหรืออุเฉดปุกาหนักไปทางศัตรหรืออุเฉดศัตนะขอมาอุเฉด ทีเราก็นึกว่าตายแล้วมันก็จบๆกันสักทีแต่ไม่ใช่นะบผมศึกษาธรรมะเอ้านั่นมันเริ่มเลยแก้วมินิต ส, สตาลูออเฉดโดยมากรวมๆสัสตะมากกว่านจันแดงอุเฉดไงนั่นนะงไงตอนสัสตะมากกว่าคุณอาลีอะไร อ่าสัตตามากกว่านะชีวิตอมะตะกุบุญชูอ๋อสัตตานะเนะนื่องว่าอุเฉดไม่ใช่หรอกเราะฉนั้นหนังสือของคนที่ ไม่ทราบว่าศึกษาดีขนาดไหนอธิบายไม่รู้อะ่ะดีกีไม่ค่อยเชื่อแล้วทุกันนะแต่ถ้าเป็นพระสูตรที่มีที่มาที่ไปเขาออช่วยหน่อยถ้าเป็นหนังสือทั่วๆไปขี้เกียจคิดตามลนะมมแค่เจ็ดวันอ่ะนะพวันางมริกาก็เจ็ดวัน แล้วของเรานี่คิดว่าถ้าไปแล้วเนี่ยเจ็ดวันหรือยาวเลยนะหลุดยาวเลยกันนี่สมมติเกิดเป็นปลานี่เราคิดว่าเราจะอยู่เจ็ดวันในว่ายน้ำไหมมันมีความสุขทีท่สุดเลยนะเที่ยวไปในทะเลอันกว้างใหญ่เนี่ยนะสะบายเลยเงนี่มาดูว่าพวกอุดเช็ดพื้นฐานอุดเช็ดทิฐเนี่ยนะพวกนี้ปฏิเสธเช่นทานไม่มีผลเนี่ยนะ การให้ทานไม่มีสบผลการบูชาไม่มีผลการต้อนรับเชื้อเชิญไม่มีผลอะไรวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ไม่มีผลหมายความว่าไปทำดีกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลทำชั่วกับพ่อแม่ก็ไม่มีผลสัตว์ที่ตายจากพบอื่นมาเกิดในชาตินี้ก็ไม่มีสัตว์ที่ตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดในชาติใหม่ก็ไม่มีน โดยที่สุดผู้ที่ปเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพวกนี้เป็นอุเฉททิฏฐิพวกนี้ก็เป็นอะไรตันหาวิภาวะตันหานี่นะพวกพื้นฐานความคิดอย่างนี้นะปฏิเสธผลของกรรมทั้งหมดเนี่ยนะปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลอีกพวกหนึ่งที่เป็นสัจติฏฐิเนี่ยเป็นยังไง พวก ส, กสตตทิฐินี้โดยรวมๆอย่างหนึ่งก็คือพวกระลึกชาติได้นี่ก็เป็นศาสตะเนี่ยนะที่เรียกว่าปุพพันตะกัปปิกะปุพพันตะกัปปิกะทิฐิเนี่ยนะพวกนี้ระลึกถึงอดี ต, ตชาติได้พวกระลึกถึงอดีตเนี่ยนะก็เป็นพวก ส, กสตตทิฐิพวกศาสตตทิฐิอย่างี้ก็คือระลึกชาติได้ในในอดีตมากๆ พวกสัตตะอย่างนี้ก็มี4ประการแล้วก็พวกเอกัจจสัตตะนะพวกนี้เอกัจจสัสตต์หมายคือว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงถึงอย่างนั้นก็เป็นสัสตตทิฏฐิอยู่ดีถึงอย่างนั้นก็สัสตตทิฏฐิพวก อ, อันตานันติกทิฏฐิ อันตาณติกะคือพวกนี้ก็คิดว่าโลกมีที่สุดหรือว่าโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็มีสี่ประเภทสกลุม่มแล้วก็พวกอมราวิเขปะอมราวิเขปะก็มีสประเภทนีนะพวกปไลไลแล้วก็พวกอาทิจสมุปป น, นะ ที่จะสมมติปณะสิบสองเอ่อขออภยัยสองพันพวกคิดถึง อ, อดีตเนี่ยนะจึงเป็นสิปพวกนี้ก็สัสตตทิฐิถ้าเข้าอันใดอันหนึ่งในในสประการเนี่ยนะเอ่อในหัวข้อหลักๆ ล, กลกาัาข้อใหญ่เนี่ยถ้าเข้าอันใดอันหนึ่งให้รู้เถอะว่าพวกนี้เป็นพวกสัสตตทิฐิหรือพวกภาวะตันหาพวกนี้เป็นพื้นฐานเข้าเป็นภาวะตันหา พวกคิดถึงอนาคตเนี่ยนะเรียกว่าอปรันตะกับปิกะทิทเิอันะนะก็เป็นพวกสัญยีวาธะสัญยีวาธะเท่าไหรนะ่สิบหกเหนไอสัญยีวาธะแปดเนวะสัญยีนาสัญยีเนี่ยนะอีกแปด แล้วก็พวกนั่นะไม่พวกนักคิดเนี่ยอยู่แทรกอยู่ตามนี้พวกนักคิดนะเช่นว่าสัสตะรและลึกชาติได้สามประเภทนักคิดอีกหนึ่งเป็นสี่ยังไ้แล้วก็พวกอุจเฉตพวกอุจเฉตนี่เท่าไหร่นะ้าหรือเจ็ดอุจเฉตถ้าทิฐิเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดมีเจ็ด แล้วก็พวกทิ่ธรรมนิพาน์อีกห้าครบสี่สิบสี่ไหม่รือเกินครบพอดีใช่ไหมพวกอุ GH เฉ ท, ทิติเนี่ยพวกนี้เท่ากับวิภาวะตันหา <Krist ian. S 1> วิภาวะตันหาในพรหมชาลสูตรมีแค่เจ็ดเจ็ดทิติที่เหลือเป็น ทะวะตันหาทั้งหมดเนี่ยนะนะพวกสัญญีวาทานเนี่ยพวกนี้ก็ขยายเช่นว่าตายแล้วพบหน้าตกลงว่ามีรูปหรือไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาหรือ ม, มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เป็นสุขโดยส่วนเดียวหรือทุกโดยส่วนเดียวหรือทั้งสุขทั้งทุกพวกเนี่ยนะก็อยู่ในกลุ่มนี้ลงรายละเอียดเข้าไปก็พวกนี้โดยมากก็เป็นพวก ภาวะตันหาซึ่งแทรกอยู่ในในนี้แต่พวกอุเฉทวาธาเนี่ยเช่นพวกนี้ถือว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดมีพ่อแม่เป็นที่เกิดจบที่เชิงตะกอนอันนะพวกนี้เป็นอะไรก็พวกอุเฉดเนี่ยนะบางพวกบอกไม่ใช่อุเฉดที่นี่หรอกต้องอุเฉดที่เทวดาอันนะก็ถือว่าไปศูนย์ที่เทวดา บางพวกบอกไม่ใช่มันต้องไปศูนย์ที่พรหมบางพวกไม่ใช่บอกต้องไปศูนย์ที่อารูปประพรหมนั้นก็สถานที่ที่เขาคิดว่าเป็นที่ที่ตั้งแห่งความศูนย์ก็แตกต่างกันไปก็แล้วแต่บางคนก็ไปถือว่าไปจบที่ที่ไหนเป็นเทวดาแล้วไปศูนย์ที่นั่นไปศูนย์ที่พรหมหรือไปศูนย์ที่อารูปประพรหมนั่นพวกในโลกของอุเชทิธิเนี่ยนะเรื่องเรื่องเขาเยอะจริงๆนเป็นแม้กระทั่ง ในในพระไตรปิฎกมีพระรูปหนึ่งที่ไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่ได้อากินจัญญายตนะแล้วเนี่ยถ้าเกิดอากินจัญญายตนะพบเมื่อไปเกิดในที่นั้นแล้วเนี่ยเขาจะอยู่เที่ยงต่อไปหรือจะไปศูญย์ที่นั่นนีนะในปรายนาวัตรนะก็มีถามอยู่รูปหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าถ้าสิ้นตัณหาแล้วเนี่ยนะมุนีที่สิ้นตัณหาแล้วอ่ะมันก็ไม่มีการปฏิสนธิดังกล่าวไปซึ่ง ผู้ที่หมดตตนหาเนี่ยจะไม่เข้าในคำว่าเที่ยงหรือศูนย์เพราะว่าทำเหล่าใดเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดใช่ไหมทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าเหตุ ด, ดับผลก็ดับแต่ถ้ายังไม่ดับเหตุผลก็ยังไม่ดับแต่ถ้ามาคิดกันแต่ว่าผลเนี่ยไปถึงตรงนี้มันจะดับใช่ไหมตอบได้ไหมไปถึงตรงนั้นแล้วจะจะจ ะ, จะดับเลยนะก็ไม่ใช่ เพราคำถามที่เรียกว่าพวกพวกที่คิดแต่เรื่องผลอย่างเดียวเนี่ยเป็นลักษณะของไม่สัสตะทิฐิก็อุเฉท ท, ทิฐิพวกที่คิดว่าผลที่มีอยู่เที่ยงเป็นพวก ส, สตะคิดที่ผลที่มีอยู่มันศูนย์พวกนี้เป็นอุเฉย่างเช่นว่าผลคืออากินจัญญายตนะในอรูปภพเนี่ยนะอากินจัญญายตนะเนี่ยซึ่งมีอายุประมาณห 0,000 ื่นกับเนี่ย ของเราตายเกิดกระดูกเขไม่รู้กี่กองขนาดไหนก็ไม่รู้นะเขาเนี่ยอายุยืนขนาดนั้นก็าถามว่าที่นี่เนี่ยเมื่อไปเกิดในที่นั่นแล้วจะอมาตะที่นั่นเลยใช่ไหมหรือไปศูนย์ที่นั่นพวกนี้ถามถามเรื่องของผลเราจะตอบว่ายังไงก็เอาผลมาเป็นเครื่องถามว่าผลอันนี้จะเที่ยงหรือจะศูนย์หลักการของมิจฉาทิฏฐิเขาเป็นอย่างนี้เขาเอาแต่คิดเรื่องผลพัน เดรัทธีทั้งหลายเขาจัดการกับผลรัตที่เดรัทธีทั้งหมดเนี่ยจัดการกับผลเป็นที่น่าสังเกตนะแต่ผู้ศาสนาจัดการที่ที่เหตุทีนี้คนไม่มีปัญญาเลยคิดไม่ออกเลยนะว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นเหตุด้วยหรือแล้วทําไมจะต้องรีบเร่งขนาดนั้นใช่ไหมพวกพวกที่ปฏิเสธหรือพวกที่ไม่เข้าใจเรื่องเหตุเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยทําความเพียนพวกนี้ ไปถึงเวลานั้นแล้วค่อยแก้ปัญหา น, นะคิดคิดไปแก้ปัญหาตอนตอนอะไรตอนสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นแล้วอะ่ะ น, นะพวกนี้จะไม่ค่อยมานาศัศการที่เหตุแต่ของของศาสนาของเรานี่แก้ที่แก้ที่เหตุใช่ไหมทําเราได้มีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตแหุแห่งการเกิดของธรรมเหล่านั้นแล้วก็ความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้ เนี่ยนะหลังของเราก็คงไม่เข้าลัที่อันใดอันหนึ่งนะถ้าไม่ทําปริญญาอยากคิดว่าเราจะไม่เป็นไม่เข้าทิฏฐิอันใดอันหนึ่งนะทุกคนที่สอนลัที่เหล่านี้น่าเชื่อหมดเลยเนี่ยนะซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นเนี่ยนะเราอยู่ในเวทวงศ์เนี่นะเราอาจจะคิดว่าไม่มีแต่ว่าหขายดีมากในยุคนี้เนี่ยนะอย่าง ภาคภาคหนึ่งก็พอมีนะแต่ว่าอีสานเนี่ยระบาดเต็มที่เลยในในช่วงหลังๆมาเนี่ยขายพวกขายสวรรค์เนี่ยนะพวกสัญญีวาทะเนี่ยกลุ่มเนี้ยมีระบาดกันเต็มที่ไปหมดเลยวัวนี้ก็ขายขายผลแต่ว่าวิธีนี้ก็แก้ด้วยการใช้เสียสตังค์นะ ก า, าการมุคัลกานุโยกพวกนี้ก็เป็นทั้งสองอย่างอ่เป็นทั้งสัตสติทิฐิและอุเฉต ท, ทิฐิเนี่ยนะ อ, อ่าได้ทั้งสองเลยอืมใชกม่การมศคัลิกานุโยกบางพวกก็สัตสต์บางพวกก็อุเฉตพวกการมศคัลิกานุโยกเขาคิดว่านี่ขนาดนี้นะชาตินี้เรายังรวยมีความสุขและชาติหน้าทำไมเราจะไม่รวย ไมเราจะไม่มีความสุขอันนี้พวกนี้ก็เป็นเออบางคนนี่เขาเลยอ๋อกอชาตินี้เรายังเป็นมนุษย์เลยนะชาติหน้าทําไมเราจะไม่เป็นมนุษย์อีกก็ชาตินี้เราสบายทําไมชาติหน้าเราจะไม่สบายเนี่ยนะไอ้อพวกนี้ก็เป็นพวกศาตตะบางพวกก็ถือว่าเออชาตินี้พิการชาติหน้าก็าพิการอีกอันนี้พวกนี้คงรับไม่ได้นะรับไม่ได้นะชาตินี้ เสียหายชาตินี้จนชาติหน้ามันก็คงจนอีกอย่างเงี้ยนะพวกนี้รับไม่ได้แต่บางพวกนี่พวกกามสุขาลิกานุโยก ค, คิดว่าตัวเองมีในชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องมีอีกเห็นไหมคือบางคนเนี่ยที่ที่เขาเพียบพร้อมทุกอย่างเลยใช่ไหมเครื่องอำนวยความสะดวกหมดทีนี้เขาไม่มีกรรมสักกาเนี่ยเขาก็นึกว่าพบต่อไปเขาจะได้เหมือนเดิมเห็นไหมพวกนี้ก็บางพวกก็พื้นฐานอะไรพื้นฐานศา ส, ะสะตะเนี่ยนะ ก็นึกว่ามันจะคงทนถาวรตลอดไป ท, ไดทีนี้ก็มีอย่างพวกที่อะไรนะที่สัตตะเนี่ยที่พระองค์ห้ามะน ะ, ะพระนางประชาบดีโคต่มีสอนลูกสาวอะลูกเออลูกสวยใช่ไหมแต่ว่าลูกอย่าไปคิดว่าลูกจะสวยอย่างนี้ตลอดไปนะก็คือบางคนนี่คิดว่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยจะเป็น เป็นเช่นนั้นตลอดไปเนี่ยนะแต่ที่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนี่ยนะพวกพวกอตตะกิละมัฐานุโยกหลักการก็เป็นอย่างนี้พวกอตตะกิละมัฐานุโยกเนี่ยนะทำตัวให้ทรมานทรมานที่สุดเท่าที่จะทำได้การทำตัวให้ทรมานเป็นการใช้บาปเนีย่ยนะ แล้วเราก็ไม่ทํากรรมใหม่เนี่ยนะเมื่อใช้บาปจบไม่ทํากรรมใหม่เพราะฉะนั้นถือเป็นอ น, นิพพานเนี่ยนะอานนิครนเขาสอนอย่างนี้โหเขาเอาปินเอาตายเอาจริงเอาจังมากเลยนะเช่นประพฤติใครเคยอ่านหนังสืออินเดียอยู่เล่มหนึ่งนะหนังสืออินเดียเล่มหนึ่งที่ เจ้าคุณวัดไทยกุศินาราเนี่ยพิมออกมาเนี่ยเขาจะมีไอ้พวกทุกข์ทรมานตนโดยประการต่างๆยกแขนจนแขนรีบก็มีเนี่ยนะพวกนุ่งลมห่มอากาศพวกวิธีใช้บาปโดยประการต่างๆก็จะใช้บาปแล้วเขาที่ว่าถ้าเขาไม่ทำบาปใหม่นะเขาก็จะเป็นอันสิ้นทุกข์ด้วยประการชนีเมื่อไม่ทำนะมันก็ฟังดูดีใช่หัหย เราใช้บาปให้หมดนะบาปที่มีอยู่เรามาชดใช้บาป น, นะเพราะงั้นการใช้บาปตรงนี้อีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าล้างบาปเราก็จะได้ทําบาปใหม่เมื่อไม่ทําบาปใหม่ก็เป็นอันจบเลยเพราะงั้นวิธีล้างบาปทํำยังไงก็อาบน้ําสิสาศาสนาอื่นๆส่วนใหญ่นะวิธีการเข้ารีดของเขาเนี่ยใช้น้ําส่วนใหญ่ใช้น้ําในการเข้ารีด จำเนี้เคยไปกินน้ำของใครมาบ้างไหมยังเขาเคยเห็นนะยังไม่เคยกินเขามีบางท่านก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไปกินน้ําเข้าแล้ววันนั้นน้ํามันหมดพอดีเขาบอกงั้นเลยไม่ได้ดื่มน้ําของเขาเลยนะก็เลยอดเข้ารีดเขาบองั้นทั้งอาบทั้งกินเลยนะปกติอยู่แล้วนะวันไหนไม่ได้อาบใส่ขั้นหรือขั้นตัวมาก พอมายังนึกนะเออดีนะเรามาเกิดประเทศไทยแนละ้วถ้าเกิดอินเดียเนี่ยคงยุ่งเหมือนกันนะสิบห้วันอาบครั้งหนึ่งในในในแค่ว่า ม, ม, ม, มชิมะชนบทเนี่ยพระพิสุอาบน้ำสิบห้าวันครั้งหนึ่งเว้นไว้แต่เดินทางไกลเว้นไว้แต่อะไรนะฝนมากับพายุอะไรเป็นต้นเนี่ยเขาก็มีคราวเว้นอยู่แต่ว่ารวมๆแล้วสิบห้วันอาบครั้งหนึ่งเช็ดตัวเอากระ น, นั้น ก็ต้นเหตุก็คือพระพิสูจ์ไปเล่นน้ําตะโปทาเนั่นแหละก็เลยบัญญัติพระเจ้าพิมพิสารนี่อดจะเป็นพระเล่นน้ําอยู่ใช่ไหมพระพระเด็ ก, ดกอะ่ะสัตตะสวัคคีเนี่ยพวก17ประมาณพวกสิบเจ็เนี่ยเรียกกลุ่ม17บเจ็ดมือนั้นกลุ่ม17นี่ก็บวชตอนเด็กๆนะคือพ่อแม่เขาไม่อยากให้ลูกเขาลำบากเขามาคิดกันว่าเอ๊ลูกเรานะถ้าหากว่าให้สอนให้มันไปเอ่อให้มันไปเรียนวิชาแต่และอย่างมันเหนื่อยหมดเลยบวชนี่มันดีที่สุดเงี้ยนะ ก็อาหารก็อยู่ดีที่หลับที่นอนก็ดีสบายก็เลยส่งลูกเนี่ยบวชพรอเพื่อ น, นี้บวชก็โหที่มาของวินัยเยอะแยะไปหมดเลยก็เด็กๆอะ่ะเอาเด็กมาบวชอะ่ะเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาไปเล่นน้ํำพล้นเลยพระเจ้าพิมพิสารก็จะไปนิมนต์พระขึ้นจากน้ําจะอาบเองได้ยังไงมันก็เลยพระเจ้าพิมพิสารก็ไปรอจนจนค่ําอ่ะภาพพิสูจน์เหล่าเนี้สิบเจ็ดรูปจึงเลิอกอาบน้ําเลิกเล่นน้ํา พระเจ้าพิมพิสานก็อาบน้ำก็เลยวันนั้นอดเข้าเมืองเขามีอย่างกฎโบราณเลยเนี่ยประตูเมืองของเขาจะมีว่าโดยรวมๆก็สี่ประตูประตูเนี่ยถ้าถึงเวลาปิดแล้วนะไม่มีใครมีอำนาจสั่งเปิดถึงพระราชาอยู่ข้างนอกก็ตามกฎมนเทียนบานของเขาเนี่ยห้ามเปิดเขาก็อยู่หลักการเขามีแบบนี้นันก็จะไปเป็นจะตายอะไรก็ช่างเพราะเขามีกฎของเขาอะ่ะ ก็บอกว่ายาว่าแต่แ ต, แ ต, แต่แต่ของอินเดียเลยนะของจีนก็เป็นเหมือนกันแต่กดอันนี้นะกดกดอันนี้ประเทศจีนก็มีไหมโบราณ น, นะพวกพวกวิธีล้างบาปเนี่ยนะมีอยู่ในในทุกยุคทุกสมัยใช่หมบางบางพวกก็คืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งคือสารภาพบาปสารภาพบาปใช่ไหม เขียนอย่างนี้ว่าจังไงตอนนะบางพวกก็ใช้วิธีสารภาพบาปคือการใช้บาปถ้าใช้บาปก็ไม่ทำบาปใหม่อีกนะก็ถือว่าเป็นอันสิ้นบาปก็จะไปมีชีวิตอมะตะนนิพานของแต่ละสายเนี่ยนิพานแบบมีขันกับไม่มีขันมันมีนิพานอีกสองกลุ่มแบบนี้ด้วยนิพานมีขันเนี่ยบางพวกก็ถือคือ นิพพานแบบมีขันคือเช่นเทวดาเทวดานี่ก็มีขันหรือแบบมีแต่เฉพาะอารูปขันเพราะอย่างอาราะดาบทเป็นต้นเนี่ยเขาถือว่าอารูปสปัพะชาญที่เขาได้เป็นนิพพานนะพวกนี้เขาถือว่าเป็นนิพพานของเขาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์เหล่านี้เหมือนกันก็ทำเหตุแล้วก็มาเพื่อที่จะไปเกิดในภพต่างๆ พวกนี้ก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะไปอยู่นะที่นั้นๆอยู่ดินแดนแห่งนั้นแห่งนั้นพื้นฐานพวกนี้ก็อัตตากิละมัทานุโยกถ้าพวกพวกที่ไม่มีขันเลยก็ตกตกไปในประเภทอุเฉตนะซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยนะถ้าไม่ใช่อริยมร์เนี่ยมันมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงน่นะ สัพพะทิเศา <Leonard> สะกับอนุปาทิเศสะไม่ใช่สุพพะตะละตะละสุปาะทิเศส ะ, ะสาศากับอนุปาทิเศสะคืออันนั้นเป็นการพูดถึงทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นการพูดถึงปริยายว่าด้วยทุกขสัตว์อันนะคำว่าสัพพะทิเศสะ อุปาทิตัว น, นี้เป็นชื่อของอหมายถึงวิบาก ก, กรรมมชรูปผู้ที่สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลโดยเหลือวิบากและกรรมชรูปอย่างนี้เรียกว่าสอุปาทิเศ ส, สนิพานหมายถึงหมายถึงส อ, อุปะทิตัวนี้หมายถึงหมายถึงวิบาก ก, กรรมชรูปบรรลุนิพานแล้วละ่ะบรรลุนิโรธสัจจะแล้วแต่ยังเหลือ วิบากกับกรรมมชรูปยังง่ายๆเช่นพระผู้มีพระภาคยังสมัยมีพระชนอยู่เรียกว่าสอุปาที่เสสานิพานหลังจากที่จุติจิตพระองค์เกิดเนี่ยนะจุติพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมาเรียนจุติพระพุทธเจ้านิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์เกุดาไปถึงจะได้นึกออกถึงโน่นลืมหมดเลยนะ ก็พระพุทธเจ้าเป็นไงจะเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทฌานอากาสานัญจายาตนะวิญญาณัญจายาตนะอากินจัญญายาตนะเนวะแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติเห็นไหมเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะพอออกจากนิโรธก็มาเป็นมากลับมาที่ ปกติออกจากนิโรธมันต้อง พ, อพะละสมาบัตนะพะละสมาบัติแล้วก็มาอากินวิญญาอาการสาัญจา ย, ยตนะมาที่จตุทชาตติยาญทุติยัญชาญปฐมชาตแล้วก็มาปฐมชาตใหม่ทุติยัญชาติยัญชาจตุทชาตพอจตุทชาตเกิดปั๊บจุติจิตจึงเกิน นะทีนี้ปฐมฌานเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าปฐมฌานโดดๆนะปฐมฌานมีกี่ประเภทเข้าหมดเนี่ยนะทุติยฌ า, านมีกี่ประเภทกี่อารมณ์เนี่ยเข้าหมดตติยฌ า, านกี่ประเภทกี่อารมณ์เข้าหมดจะตัวฌ า, านกี่ประเภทกี่อารมณ์เข้าหมดแต่อาการสารัญใจายตนะมันเป็นอย่างเดียวอยู่แล้วเราเข้าเข้าเ ข, ข, ข, ข้ามาเรื่อยๆตามลําดับเนี่ยนะแล้วก็จุติ อันหลังจากที่จุติไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่มีไม่มีคติใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่มีคติที่ที่เขาบอกว่าพระองค์ไม่ผุดไม่เกิดนะที่เขาด่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนไม่ผุดเกิดอีกแล้วบอกใช่แล้วถูกแล้วเพันในภพสามกำเนิดสี่พระองค์ไม่เกิดสักแห่งเนี่ยนะไม่มีที่แห่งเลยนะพันพญามารก็หาวิญญาณไม่พบใช่ไหมของเรานีนหางไม่ยากนะอ๋ออยู่นี่เอง ว่ามาอยู <Yes <S <S ่แถวนี้นี่เองไงนะคุจูพยามานี่คิดว่าจะหาเจอหรือไม่เจอดีอุ้ยแคจะไปแถวไหนแถวนั้นเนี่นะก็ดูคิดถึงรูปรูปกวน้าเพลิดเพลินไปหมดใช่ไหม คิดถึงเสียงก็เพลิดเพลินคิดถึงกลิ่นก็เพลิดเพลินคิดถึงรถคิดถึงโปรตีนคิดอะไรน่าเพลิดเพลินไปหมดโอ้ถ้อย่างนี้พยายามานบอกหาไม่ยากหาแถวรูปเสียงกลิ่นรถนั่นแหละแลก็เจอแล้วาหายตัวไปอยู่ที่ปลายเส้นผมพยายามาหาไม่เจอ เ, เล่นไหนเล่นไหนในหนังสือดน ต, ตรีอ่ะออธิบายอ๋อเลเาหายอยู่ครอยู่ที่เส้นลเนละเรื่องกันแล้วา <c oughs> เอาลวไม่คุยด้วยลว